วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2561เป็นวันครบรอบที่สองของการเสด็จสวนคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร, รัชกาลที่9้า พวกเราผู้มีความรักเคารพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเราจึงได้มาร่วมกันทำบุญถวายอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้แก่พระองค์ที่มีพระคุณอันประเสริฐต่อพวงชนชาวไทยเพราะ เรารู้ว่าการตายนี้เป็นการเป็นเพียงการตายของร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจผู้ที่อาศัยร่างกายอยู่นั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อจิตใจไม่มีร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พึ่งจิตใจก็ต้องอาศัยบุญเท่านั้น ช่วงที่จิตใจไม่มีร่างกายเป็นช่วงที่จิตใจต้องอาศัยบุญที่ได้สร้างไว้ในขณะที่มีร่างกายเพราะไม่สามารถหาอะไรได้ผ่านทางร่างกายเลยต้องอาศัยบุญบุญนี้แหละเป็นเหมือนรั์ที่เราจะเอาติดตัวไปกัน หลังจากที่เราไม่มีร่างกายแล้วเราคือจิตใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่มีวันตายแต่จำเป็นที่จะต้องไปต่อไปอีกไปหาที่อยู่ที่ให้ความสุขกับเรา การที่เราจะไปอย่างมีความสุขเราก็ต้องมีบุญเป็นผู้สนับสนุนเหมือนกับเวลาที่เราออกเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องมีเงินติดตัวไปเงินที่เราใช้อยู่ในประเทศไทย เราไม่สามารถเอาไปใช้ที่ต่างประเทศได้เราต้องเปลี่ยนเงินที่เราจะไปใช้เอาเป็นเงินของประเทศที่เราจะไปถ้าเราไปประเทศสหรัฐหรือญี่ปุ่นหรือจีนเราก็ต้องแลกเอาเงินของประเทศสหรัฐประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศจีนไปเราถึงจะสามารถ ใช้สำหรับใช้จ่ายอะไรต่างๆได้เงินของประเทศไทยเอาไปใช้ที่ต่างประเทศไม่ได้ฉันใดทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้ในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้เอาไปก็เอาไปใช้ไม่ได้ เพราะสิ่งที่เราเอาไปใช้ได้ก็คือบุญนี้เองบุญนี้จะเป็นเงินทิพย์เพราะเราจะไปอยู่โลกทิพย์กันในขณะที่ไม่มีร่างกายถ้าเรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้นลบสัมผัสกับสิ่งต่างๆ พอเราไม่มีร่างกายเราก็ต้องอดูรูปทิพฟังเสียงทิพดมกลิ่นทิพการที่เราจะมีรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพที่ให้ความสุขกับเราเราก็ต้องมีบุญเป็นเหมือนกับเงินทองไปซื้อรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพต่างๆมาเสพ ถ้าเราไม่มีบุญติดตัวไปหรือมีบุญน้อยเราก็จะไปอยู่แบบยากจนลําบากหลืออยู่แบบขอทานดวงวิญญาณต่างๆที่มารอรับบุญจากพวกเรานี้เป็นดวงวิญญาณที่เป็นเหมือนขอทานเพราะ มีบุญน้อยหรือไม่มีบุญติดตัวไปเพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปก็เลยไม่สนใจในการที่จะทำบุญละบาปกันกลับไปละบาปกลับไปละบุญทำบาปกันคือบุญไม่ทำกันทำแต่บาป เพราะการทำบาปนี้ทำให้เราได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แบบง่ายได้แบบเร็วและได้มากมากคนเราจึงมักนิยมทำบาปกันเพราะเห็นความความง่ายได้ของการที่จะเอาทรัพ สมบัติต่างๆมาเป็นของตนนั่นเองแต่ไม่รู้เรื่องของโทษที่จะตามมาหลังจากที่ตายไปแล้วตายไปแล้วดวงวิญญาณที่ทำบาปก็ต้องไปใช้โทษในอบายแทนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หรือแทนที่จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็ต้องไปใช้กรรมก่อนเหมือนต้องไปติดคุกติดตารางก่อนอบายนี้เป็นเหมือนคุกตารางที่มีแบ่งไว้เป็นสี่โซนด้วยกันสี่สี่ช่องหรือสี่แดนคุกตารางเขาก็มีแบ่งเป็นแดนเพราะผู้ที่ไปนั้น มีความโหดร้ายทารุณมากน้อยไม่เท่ากันก็เลยไม่ขังรวมกันแยกกันอยู่ผู้ที่มีความโหดร้ายทารุณมีโทษมากก็ให้อยู่แดนหนึ่งผู้ที่มีโทษน้อยก็ให้อยู่อีกแดนหนึ่งแบ่งเป็นแดนแดนไปในคุกตารางของโลกทิบ คืออบายบก็มีแบ่งเป็นแดนมีแบ่งไว้เป็นสี่แดนด้วยกันแดนเดลฉ า, านมีรูปร่างหน้าตาของสัตว์เดลฉ า, านเป็นที่อาศัยส่วนแดนของเปรตแดนของอสุ ร, รกายและแดนของนรกนี้ไม่มีลบ ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ดวงวิญญาณที่ถูกความทุกข์ชนิดต่างๆรุมเล้าจิตใจถ้าเป็นอยู่ถ้าไปอยู่ในด้านเปรตก็จะมีความทุกข์ยากลำบากหิวโหยขาดแคลนมารุมเล้าจิตใจ ถ้าไปอยู่ในแดนของอสุรกายก็จะมีแต่ความกลัวความหวาดกลัวต่อภัยต่างๆมารุ่มแล้าจิตใจถ้าไปอยู่ในแดนนรกก็มีแต่ความรุ่มร้อนมีความทุกข์รุ่มร้อนใจที่เกิดจากความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท นี่คือที่ไปของผู้ที่ทําบาปโดยที่เขาไม่รู้กันถ้ารู้กันว่าตายไปแล้วถ้าทําบาปต้องไปอยู่ในอบายนี้จะไม่มีใครกล้าทํากันเหมือนกับเรามนุษย์ที่อยู่ทุกที่อยู่ในโลกในทุกวันนี้ หรือว่าถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับไปลงโทษต้องไปติดคุกติดตารางหรือถูกปรับก็จะไม่กล้าทำผิดกฎหมายกันแต่คุกตารางของดวงวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกัน จึงทำให้ผู้ที่ไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่เห็นว่ามีคุกตารางหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผู้ที่ได้ไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะคิดว่าเวลาที่ร่างกายตายไป ตัวเองที่ตัวเองก็จะตายไปกับร่างกายด้วยเพราะตัวเองก็คิดว่าเป็นร่างกายนั่นเองพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาปไปรับผลบุญต่อไปไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถเห็นได้สิ่งที่เห็นเห็นเพียงแต่ร่างกายก็เลยสรุปเอาว่า บาปไม่มีบุญไม่มีผลของบาปผลของบุญไม่มีหลังจากที่ตายไปแล้วถ้ามีก็มีในขณะที่มีชีวิตอยู่เช่นทำบุญก็มีความสุขใจสบายใจทำบาปก็มีความทุกข์ใจไม่สบายใจก็เลยไม่กลัวเรื่องการทำบาปกัน แล้วก็ไม่สนใจกับเรื่องการทำบุญกันเพราะจะมองว่าการทำบุญนี้เป็นการขาดทุนเพราะต้องเสียข้าวของเงินทองไปนั่นเองเสียข้าวของเงินทองไปโดยไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาก็เลยไม่อยากจะเสียกันไม่อยากจะทำบุญกันอยากจะทำบาปกันเพราะทำบาปแล้วได้กำไร ได้ข้าวของเงินทองได้สิ่งต่างๆที่อยากได้มาและได้มาแบบง่ายดายและรวดเร็วกว่าการที่หาเงินทองโดยวิธีไม่ทำบาปนี่คือเรื่องของทำไมจึงมีขอทานทางจิตวิญญาณมารอรับส่วนบุญ เพราะพวกนี้ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเขาไม่เชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะเขาเห็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้น เขาไม่เห็นส่วนที่ละเอียดกว่าร่างกายคือดวงจิตดวงใจที่เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ น, นี่เองแต่คนที่มีความฉลาดมีความรู้มีความสามารถอย่างพระพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ท่านมีตาทิพย์ ท่านสามารถมองเห็นดวงจิตดวงใจมองเห็นดวงวิญญาณได้ท่านจึงไม่สงสัยในเรื่องของบุญของบาปในเรื่องของผลของบุญของบาปว่ามีจริงหรือไม่ท่านจึงสอนให้พวกเราที่ยังไม่มีตาทิพมีตาทิพแต่ยังปิดอยู่ พวกเราทุกคนมีตาทิพมีตาในแต่ตอนนี้เราเอาตาทิพตาในของเรานี้หันมาทางที่ทางร่างกายเราก็เลยเห็นสิ่งที่ร่างกายเห็นเราเลยไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพ ถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติต่อไปเราจะเปิดตาทิพย์ของเราขึ้นมาเปิดตาในของเราขึ้นมาและทำให้เราเห็นดวงจิตดวงใจเห็นดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงรับไปแล้วว่าเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เขาอยู่ต่อเขาไปต่อเขาไปตามอำนาจของบุญของบาปที่เขาได้ทำามาไว้และถ้าเขายังไม่สามารถกำจัดเหตุที่พาให้เขามาเกิดต่อไปได้เขาก็จะกลับมาเกิดใหม่จะกลับมามีร่างกายอันใหม่ นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะรู้จะเห็นได้แล้วถ้าพอรู้พอเห็นแล้วนี่จะไม่กล้าทำบาปโดยเด็ดขาดจะทำบุญอย่างเดียวและจะพยายามหยุดเหตุที่พาให้มา เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะการเกิดแก่เจ็บตายนี่มันไม่ดีมันมีทุกข์มากกว่าสุขนั่นเองการมาเกิดแก่เจ็บตายก็มีสุขแต่เป็นส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับทุกข์เลแต่ผู้ที่ยังมีความอยากมาเกิดอยู่นี่เป็นผู้ที่มองไม่เห็น ไม่เคยเอามาเปรียบเทียบระหว่างความสุขกับความทุกข์ที่ได้จากการมาเกิดจะคิดแต่ว่าเวลามาเกิดแล้วจะมีความสุขได้จากการหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้มีความฉลาดรอบคอบที่จะเห็นว่า สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะให้ความสุขกับใจแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่ไม่คงเส้นคงวาเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญมีการเสื่อม มีการเกิดมีการดับเวลาได้มาก็ดีออกดีใจกันพอเวลาเสียไปก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันนี่คือจิตของผู้ที่ถูกอำนาจของความหลงความอยากครอบงำจิตใจจ หลงเห็นแต่ความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่มองเห็นความทุกข์ต่างๆที่ติดมากับความสุขก็เลยต้องมาทุกข์กันโดยที่โดยไม่รู้สึกตัวเดินเข้าหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวว่ากำลังเข้าหาความทุกข์เหมือนปลาที่ไป ไปกัดกินเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนั่นแหละเห็นแต่เหยื่อไม่เห็นไม่เห็นเบ็ดปลายเบ็ดที่ติดอยู่ที่ปลายที่ที่ติดอยู่กับเหยื่อคิดว่าเหยื่อนี่เป็นแต่เหยื่ออย่างเดียวแต่พอไปกัดไปกินไปฮุบเหยื่อเข้าก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วก็จะถูกคนที่เขา ย่อนเบ็ดลงมานี่ลากขึ้นไปจากน้ําเอาไปฆ่าเอาไปแกงนี่ก็ลักษณะเดียวกับจิตของผู้ที่มีความหลงมีความอยากครอบงำจิตใจนี่จะไม่ฉลาดไม่เฉลียวฉลาดแต่ไม่เฉลียวรู้ว่านี่คืออาหารนี่คือความฉลาดแต่ไม่เฉลียวว่ามันเป็นกับดัก มันจะทำให้ต้องทุกข์ทรมานต้องตายได้ถ้าไปกินเหยื่อนั้นทันใดสิ่งต่างๆที่พวกเรามาแสวงหากันในโลกนี้ก็เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่ เ, เราเห็นราบยศจัดเสริญเห็นความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกางแล้วนี่น้ำลายไหลอยากได้ทันที พอที่ไหนเขามีการแจกเงินแจกข้าวแจกของนี่จะเฮโลกันไปนั่นไปหมดเออเหีียบกันตายก็มีเพอเห็นว่าเป็นความสุขได้ของฟรีๆมาทำไมจะไม่สุขกันแต่ไม่เห็นตอนที่มันหมดพอมันหมดแล้วทีนี้จะทำอย่างไร ความสุขที่ได้จากของที่ไปเอามามันหมดไปแล้วถ้าไม่มีอะไรให้เสพต่อมันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่พวกเราที่มาเกิดในโลกนี้ยังมองไม่เห็นกันคือมองไม่เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เราเรียกว่าโล ก, กธระทำภาษาพระาศ า, าสน า, านี้ท่านเรียกลาบยศสรรเสริญสุขว่าเป็นโลกกระทำเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มนุษย์ทั้งหลายและสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายแสวงหากัน ก็เห็นว่าได้มาแล้วจะทำให้มีความสุขกันนั่นเองเพียงแต่ว่ามองไม่เห็นเบ็ดที่มันซ่อนติดอยู่กับอาหารของราบยศสารเสริญสุขนีเ้เพราะไม่เฉลียวมีแต่ความฉลาดฉลาดหาเงินทองฉลาดหาอำนาจหาตำแหน่งหารังวี่รางวัน หาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายกันแต่ไม่เคยจะเหลียวใจคิดเลยว่ามันให้ความสุขตลอดเวลาหรือไม่มันทําให้เราต้องมาทุกข์หรือไม่อันนี้ไม่คิดกันพอมันให้ความทุกข์ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรแก้ไม่เป็นหาทางออกไม่เป็น เหมือนปลาที่ติดเบ็ดแล้วนี่ไม่มีทางที่จะแก้ได้นอกจากคนที่เขาตกปลานั้นเขาสงสารเขาปลดเบ็ดออกให้เท่านั้นพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนคนตกปลาหรือคนที่จะมาเอาเบ็ดที่เกี่ยวปากปลานี้ให้ออกจากปากปลาไปพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่จะมาสอนมาบอกให้เรา รู้จากวิธีออกจากความทุกข์ที่เรามาติดกันอยู่เรามาติดกับความทุกข์ทางราบยศ ส, สรรเสญสุขพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่ค้นพบวิธีที่จะทำให้เรานี้ไม่ต้องมาติดกับความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาราบยศสารเสญสุขกัน โดยการสอนให้พวกเราเนี่อมาหาความสุขที่ไม่มีเบดติดอยู่หาอาหารที่ไม่มีเบดติดอยู่ปลาที่ไปกินอาหารที่ไม่มีเบดติดอยู่ก็ปลอดภัยกินอาหารก็มีแต่อิ่มน้ำสำราญใจเพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละเป็นผู้ไปค้นพบ อาหารที่ไม่มีเบ็ดติดอยู่ด้วยออกินอาหารชนิดนี้แล้วจะมีแต่ความอิ่มมีแต่ความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์ตามมาเลยเออคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราปฏิบัติกันนี่แหละเป็นวิธีไปรับประทานอาหารที่โอชะอาหารที่ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจ มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ใจตามมาถ้าพวกเรามีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขหาอาหารที่ไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจของพวกเราถ้าพวกเรา ศึกษาได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์ติดตัวมาติดเราจะไม่มีความทุกข์มาลุมเล้าจิตใจเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะว่านี่คือความจริงและมีผู้ที่ได้พิสูจน์มาแล้ว มารับลองคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าเป็นคําสั่งคําสอนที่มีคุณค่ามาหาศาลเพราะเป็นคําสอนที่จะสอนให้เราได้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงได้ไปความพบกับความสุขที่ไม่มีความทุกข์เหมือนกับความสุขที่เราได้จากลาบยศสารเสริญสุขกัน ตอนนี้พวกเราหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขกันแล้วเราก็มาทุกมาวุ่นวายใจกับลาบยศสารเสริญสุขเวลาที่มันเปลี่ยนไปหรือเวลาที่มันหมดไปอันนี้ทำไมเราไม่คิดกันเลยมองไม่เห็นหรือว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนิจจังมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอน บางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาบางทีมันมีแต่ไปมาไม่มาพอไปเรื่อยๆไม่มีมาเดี๋ยวก็หมดพอหมดแล้วทีนี้จะเอาอะไรใช้ล่ะไม่มีเงินนี้จะทำอย่างไรงานก็ไม่มีมีงานก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเดี๋ยวก็ต้องไปกระโดดตึกตายกันข่าตัวตายกัน พออยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีเงนินไม่มีทองไว้ซื้ออาหารซื้ออะไรต่างๆที่จำเป็นต่อการดารงชีพหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะเอาตัวให้อยู่รอดได้ถ้าทำบาปไปเดี๋ยวก็ถูกจับก็ต้องไปติดคุกติดตารางอีกนี่แหละคือทางเลือกผลที่จะตามมาจากการที่เราไป แสวงหาความสุขจากโลกธรรมหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลเพรนะมันจะพาให้เราต้องไปพบกับความทุกข์ต่อไปอย่างแน่นอนจะทุกข์มากจะทุกข์น้อยจะทุกข์ช้าหรือทุกข์เร็วเท่านั้นแต่จะต้องเจอกันเพราะว่า การที่เราจะครอบครองราบยศสารเสริญสุขนี้มันมีวันสิ้นสุดลงนั่นเองเหมือนคำพูดที่เราได้ยินได้ฟังกันว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงตอนนี้พวกเรามากินเลี้ยงกันกำลังสนุกสนานเฮฮากันจากราบยศสารเสริญสุขที่เราหามาได้กันแต่จะมีวันหนึ่งที่งานเลี้ยงของเราจะต้องจบลง วันที่เราจะไม่สามารถหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้วันนั้นถ้าเราไม่มีอะไรมารองรับกับเหตุการณ์นี้เราก็จะทำลายตัวเราเองจะข้าตัวตายกันทำไมคนเราจึงข้าตัวตายกันก็เพราะว่าไม่มีอะไรที่เขาจะ เพึ่งให้ความสุขกับเขาได้นั่นเองสิ่งที่เขาเคยพึ่งได้นั้นไม่ได้มีอยู่กับเขาเสียแล้วจากเขาไปเสียแล้วแล้วเขาก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขมาทดแทนเขาก็เลยต้องไม่ไปทําบาปก็ไปฆ่าตัวตายไม่ไปฆ่าผู้อื่นก็ไปฆ่าตัวเองตายเพื่อที่จะได้ หนีจากความทุกข์ไปแต่มันเป็นการหนีแบบหนีเสือปะจระเข้การหนีแบบนี้เหมือนหนีเสือปะจระเข้หนีจากความทุกข์ด้วยการทำบาปหรือด้วยการฆ่าตัวตายพอตายไปแล้วก็ไปติดคุกในอบายต่อนี่คือ เรื่องของคนที่ไม่เชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของคนที่ไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพบแล้วก็ไม่ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ไปเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไปหาราภยศสรเสริญสุขอีกไปขอราภยศสารเสริญสุขกัน ขอให้ล่ำให้รวยกันขอให้เจริญในยศบรรดาในในยศถาบรรดาศัก์กันแทนที่จะมาขอธรรมะวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เรามีความสุขโดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะกนการเข้าวัดของเรานี่ ควจะเข้าเพื่อหาคําสอนหาวิธีการปฏิบัติที่จะทําให้เราได้ไปพบกับความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องมาทุกกันต่อไปความสุขที่จะทําให้เราไม่ต้องมาข้าวตัวตายกันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับ จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่ากร า, าบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นการกราบนี้เป็นเพียงการแสดงความเคารพเท่านั้นยังไม่เกิดประโยชน์ยังไม่ได้รับความรู้สิ่งที่เราควรจะรับจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้คือคำสั่งคำสอนความรู้อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้กันมีแต่พระพุทธเจ้าและพระสาวกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอบลงสั่งสอนทท่านั้นที่จะรู้วิธีหาความสุขแบบที่ปลอดภัยเหมือนสมัยนี้เรามีผักที่ปลอดสารพิษทำไมเราจึงเลือกซื้อผักที่ปลอดสารพิษกัน เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปกินผักที่มีสารพัดสารพิษติดค้างอยู่นี่มันจะเป็นมันจะไปกอ่อสร้างมะเร็งขึ้นมาในร่างกายเราได้คือมันจะไปทำลายร่างกายเรานั่นเองเราจึงไม่กินอาหารที่มีสารพิษเจือปนอยู่เราพยายามหลีกเลี่ยงพยายามหาอาหารที่ไม่มีสารพิษ เพื่อน่างกายของเราจะได้ไม่ต้องตายไปก่อนเวลาอันควรไม่ต้องตายไปจากโรคมะเร็งที่เกิดจากสารพิษติดค้างอยู่ในอาหารนี่เองพอมันเข้าไปในร่างกายพอมันสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันก็ไปทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติไปไปสร้างเนื้องอกขึ้นมาเนื้องอกที่จะมาทำลายชีวิตต่อไป ฉันใดอาหารที่พทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราหากันนี่ความสุขที่สอนให้พวกเราหากันนี้เป็นความสุขที่ปลอดสารพิษปลอดภัยจากโรคมะเร็งปลอดภัยจากการเกิดแก่เจ็บตายปลอดจากความทุกข์ต่างๆถ้าลองได้ หาอาหารที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เราหาให้เรารับประทานแล้วจิตใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขไปตลอดจะไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากำลังเป็นกันอยู่ในตอนนี้พวงเรารู้หรือไม่ว่าเรากำลังจะไปเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันพอเรามาเกิดแล้วนี่เรานี้เหมือนกับได้ทําสัญญากับ โยมมาพาโยมพาบาลไว้ล่วงหน้าแล้วว่าขอให้มารับเรานะถึงเวลาที่ที่สมควรเราจะมอบร่างกายนี้ให้กับโยมพาบาลไปพอเมื่อมาเกิดแล้วร่างกายนี้ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันผู้ที่ได้ยินคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะกลัวความแก่กลัวความกลัวการเกิด กันเพราะรู้ว่าเมื่อเกิดแล้วจะต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายกันก็จะพยายามตัดเหตุที่จะพาให้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็คือการมาปฏิบตัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราหาอาหารหรือหาความสุขชนิดใหม่ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกัน อาหารที่เรากำลังหากันอยู่ความสุขที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้เป็นความสุขที่จะพาให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆเพราะความสุขที่เราหาต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราจรึงต้องมาเกิดเราถึงจะสามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ หาความสุขจากรูกเสียงกลิ่นรสผภทพได้แต่ร่างกายของเรามันก็ไม่จีรังถาวรมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บ ม, มีตายไปตามลำดับพอมันตายไปความสามารถที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ต้องหยุดชะงักไปแล้วก็ต้องรอให้เราได้ไปรับร่างกายอันใหม่ก่อน แล้วเราถึงจะกลับมาหาความสุขต่อไปได้นี่คือลักษณะของการหาความสุขของพวกเราที่ต่างจากการหาความสุขของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นพระพุทธเจ้ากับพระสาวกก็หาความสุขเหมือนกับที่พวกเรากําลังหากันอยู่ในขณะนี้ท่านก็หาลาบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่ท่านนอกจากฉลาดแล้วนี่ท่านยังเฉลียวด้วยพวกเราฉลาดแต่เราไม่เฉลียวพวกเราไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายที่จะพืบคาน้ามาทําลายความสุขที่เรากำลังหากันมีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่มีความเฉลียวที่นอกจากมีความฉลาดแล้ว ฉลาดในการหาราบยศสารเสริญสุขแล้วยังมีความเฉลียวที่เห็นพิษเห็นภัยเห็นอันตรายของการหาความสุขทางราบยศสารเสริญสุขด้วยเห็นว่าต่อไปร่างกายของพระองค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะไม่สามารถหาความสุขแบบที่กําลังหาอยู่ได้ พวกเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ทำไมพวกเราถึงไม่มองไม่เห็นกันก็พวกเราฉลาดแต่ไม่เฉลียวนั่นเองฉลาดในการหาความสุขผ่านทางร่างกายแต่ไม่เคยเฉลียวไม่เคยเอ็ดใจเลยไม่เคยถามตัวเองเลยว่าไอ้ต่อไปกูแก่กูเจ็บกูตายกูจะทำยังไงวะนี่ไม่เคยคิดกันเลยไม่ยอมคิดกันไม่กล้าคิดกัน คำว่าแก่คำว่าเจ็บคำว่าตายนี้อยากจะลบออกจากพจนานุกรมเลยอยากจะให้มันไม่มีในภาษาไทยเลยแต่มันลบไม่ได้เพราะมันเป็นความจริงที่ไม่มีใครไปลบล้างได้การที่ไม่ไปสนใจไม่ไปคิดถึงมันนี้ไม่ไปลบล้างมันมันกลับทําให้เราไม่เฉเลียวกลับทําให้เราโง่มากขึ้นกลับทําให้เราทุกข์มากขึ้น เพราะมันจะทําให้เรากลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันะความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์กันไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายที่ทําให้เราทุกข์กันความแก่ความเจ็บความตายมันทําให้ร่างมันอยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ใจใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ที่ใจทุกข์เพราะว่าใจไม่อยาก ให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไม่อยากให้ร่างกายตายเท่านั้นนี่คือสาเหตุของความทุกข์ใจที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้ในอริยสัจสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าความทุกข์ต่างๆของใจนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เกิดจากความอยากของใจที่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเอง ไปอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงไปอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราพอไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้พอมันไม่เป็นของเราพอมันไม่เที่ยงมันก็ทำให้เราทุกข์กันเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีความฉลาดมีความเฉลียวมองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีโลกนี้เช่นลาบยศจะะรรรสิญ เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราจะไม่สามารถครอบครองเป็นสมบัติของเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งเราจะต้องมีการพัดภาคจากกันไปถ้าเรามีความฉลาดแล้วมีความจะเหลียวเห็นว่าต่อไปเวลาร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายนี่ เราจะต้องมีการพัดพาจากราบยศสรรเสริญพัดพาจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปถ้าเราเห็นแล้วทีนี้เราจะได้รู้ว่านี่เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเราจะได้ข้อสรุปว่าการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นการหาความทุกข์เป็นเหมือนกับการหาเบ็ดนั่นเอง เบ็ดมันอยู่ของมันดีๆเราไปหามันเองเนี่ยปลาโง่เนี่ยปลาที่ไม่เฉลียวเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดไม่รู้ว่ามีเบ็ดอยู่ก็ว่ายไปกัดไปกินเหยื่อแล้วก็ไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเอาเบ็ดมันอยู่ของมันเฉยๆเราโง่เองเราไปหามันเองอความทุกข์ในราบยศสรรเสริญสุขก็มันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเงินก็อยู่ในธนาคารอยู่ใน กระเป๋าคนนั้นคนนี้เราไปหามันเองไปหามันแล้วก็ไปทุกข์กับมันเพราะไปติดแบดนะพราะม่พอไปมีมันแล้วก็ต้องติดพอได้มาแล้วก็ติดต้องมีเรื่อยๆพอไม่มีแล้วมันก็ทุกข์พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเลิกหาลาบยศสารเสรญสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันเรามาหาความสุข ที่ไม่มีความทุกข์ตามมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เองนี่แหละเป็นความสุขที่เราไม่รู้จักกันไม่มีใครรู้จักกันมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้สรงคนพบแล้วเมื่อสรงคนพบแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่ฟังแล้ว สามารถนำเอาไปปฏิบัติตามได้ก็จะได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบนี่เกิดเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ยังต้องไปต่อถ้าเรายังไม่มีความสุขในรูปแบบใหม่ถ้าเรายังต้องการหาความสุข ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็จะต้องไปเกิดไปมีร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะมีกี่ร่างกายไม่นานร่างกายนั้นก็จะต้องจบเพราะทุกร่างกายนี้มันไม่เที่ยงร่างกายทุกร่างกายนี้มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นสูตรตายตัวจะเป็นเลือกว่าขอเกิดอย่างเดียวแล้วบอกว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ ไปทำสัญญากับพ่อแม่ที่จะให้กำเนิดก่อนได้หรือเปล่าว่าพ่อแม่ร่างกายที่พ่อแม่ผลิตมานี้ขอให้เป็นร่างกายแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้หรอเ อ, อไม่ได้ไม่มีเหมือนเป็นสูตรตายตัวพอเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมนุษย์เราที่เกิดมานี่ก็พยายามมาแก้สูตรนี้กันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์หมอเอเ อ, อนักชีวะนักเคมี พยายามคิดค้นหาวิธีที่จะทําให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วไม่ใช่มีแต่เฉพาะยุคของเรายุคในอดีตอันแสนยาวนานหรือยุคในอนาคตก็จะมีมนุษย์ที่จะมาเปลี่ยนสูตรนี้กันทั้งนั้นแทนที่จะเปลี่ยนความโง่องของตนกับพยายามไปเปลี่ยนสูตรที่มันเปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนสูตรที่มันเปลี่ยนไม่ได้ทําไมมันเป็นของสูตรตายตัว เปลี่ยนความโง่ของตัวเองดีกว่าเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบที่ไม่ใช้ไม่ต้องใช้ร่างกายมันก็จบละไม่ต้องมาเปลี่ยนสูตรว่าขอให้เกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเปลี่ยนไม่ได้เหนื่อยไปเปล่าๆทำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จได้พระพุทธเจ้าก็เลยเปลี่ยนพระพุทธเจ้าก็รู้ว่ามันทำไม่ได้ ก็เลยไม่มาทางนี้ไม่มาทางที่จะมาเปลี่ยนสูตรของการเกิดแก่เจ็บตายแต่มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขดีกว่าแทนที่จะหาความสุขจากร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไปหาความสุขจากการทําใจของตนเองให้สงบดีกว่าง่ายกว่าเยอะแยะใจของเรานี้อยู่กับเรามาตลอดถ้าเราสั่งเราสอนมันให้มันสงบมันก็สงบ ที่มันไม่สงบเพราะเราไม่สั่งไม่สอนให้มันสงบเราไปชวนให้มันวุ่นวายกันต่างหากวุ่นวายก็เพราะเนี่ยไปยุ่งกับการไปหาลาบยศสรรเสิริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยทำให้เรามาวุ่นวายกับการมาเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มาเป็นนิจจังสุขขังอัตตากันอยากจะให้ลาบยศสารเสริญสุขนี้ เป็นนิจจังคือถาวรไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดเป็นของเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอดแล้วทำได้ไหมนะ่ะทำได้ชั่วคราวอา้าวอยากจะมีบ้านดีๆอยู่ก็สร้างบ้านดีๆอยู่กันไปอยู่ไปไม่กี่ปีเดี๋ยวมันก็เก่ามันก็พังอยากจะมีเสื้อผ้าสวยๆงามๆไม่สวมใส่ก็หามาใส่กัน ไหลไปสักพักเดี๋ยวมันก็เก่าเดี๋ยวมันก็ขาดกันไม่มีอะไรจีรังถาวรไม่มีใครทําให้มันจีรังถาวรได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้งั้นอย่าไปเสียเวลากับการไปวุ่นวายกับการจัดการกับลาบยศสารเสริญสุขเลยทาเท่ า, าไหร่ก็มีแต่จะทําให้ใจวุ่นวายมากขึ้นแทนที่จะทําให้ใจสงบใจกับวุ่นวายใจกับทุกข์มากขึ้น ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ใจไม่วุ่นวายทำให้ใจสงบทำให้ใจมีความสุขก็คืออย่าไปยุ่งกับลาบยศ ส, สรรเสิญสุขเลยอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยมองให้มันเห็นว่ามันเป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดนี้มันเป็นคุณหมือเป็นโทษมันอาจจะให้ความสุขกับผู้เสพแต่มันมีโทษมหันเวลาที่มันแผงฤธิออกมา เวลาที่มันหมดไปแล้วผู้เสพยังมีความอยากเสพยอยู่เวลานั้นนะ่ะผู้เสพจะทรมานอย่างมากให้มองเห็นอย่างนี้ให้มองเห็นว่าราบยศจะละเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่พวกเรากำลังหากันอยู่นี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดมันไม่ใช่เป็นอาหารที่จะมาหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้อยู่อย่างมีความสุขเย้อยู่อย่างปลอดภัย มันจะมาทำให้จิตใจของเราวุ่นวายไม่มีวันสิ้นสุดแล้วไม่แต่ไม่เฉพาะแต่ชาตินี้พบนี้เท่านั้นตายไปแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกมาวุ่นวายกับมันอีกเรามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าด้วยการทาตามคาสอนของพระพุทธเจ้าก็อสอนให้เราทาทานให้เรารักษาศีลใหเราภาวนากัน ทำไมเราต้องทำทานเพราะทานก็คือเงินทองที่เรามีอยู่นี่มันเป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์ถ้าเรายังไปพึ่งมันอยู่ถ้าเรายังเอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ให้เราหยุดซื้อได้แนละ้วเพราะเป็นการไปซื้อยาเสพติดให้เอาไปซื้ออาหารคือเอาไปทำบุญเอาไปซื้อบุญบุญนี่แหละเป็นอาหารของใจทำบุญแล้วจะมีความสุขกว่า การไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันสุขเดี๋ยวเดียวสุขแบบควันไฟพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดเหลืออยู่แต่ความหิวความอยากไม่อิ่มไม่พอส่วนบุญส่วนความสุขที่ได้จากการทําบุญนี้มันอยู่กับใจไปนานทําให้ใจอิ่มใจสบาย ไม่หิวไม่โหยกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่หิวไม่โหยกับการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยถ้าจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยนี้ไปซื้อบุญแล้วต่อไปความอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยจะหายไปถ้าอยากจะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อบุญแทนจะบุญจะทําให้ใจเราอิ่มใจเราพอจะทําให้เราไม่หิวกับการไปเที่ยว <lar> ไม่หิวกับการไปซื้อความสุขทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายไม่หิวกับการไปซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จําเป็นต่อการดํำรงชีพนให้เราเลิกใช้เงินแบบนี้เปลี่ยนวิธีใช้เงินมาซื้อบุญกันดีกว่าเพราะบุญนี้ให้ความสุขทั้งปัจจุบันและต่อไปในอนาคตด้วยคือหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่บุญนี่แหละที่จะเป็น ทรัพภายในใจของเราถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวแล้วหาเงินที่ไปใช้กับการไปเที่ยวด้วยการทําบาปเนี่ยเวลาเราตายไปเนี่ยเราจะไปเป็นขอทานเพราะเราจะไม่มีบุญติดตัวไปแล้วเราจะต้องไปใช้บาปในอบายเป็นเป็นขอทานเพราะเราทําบาปด้วยการหาเงินหาทองอันนี้คือวิธีที่เราจะต้องมาเปลี่ยน การหาเงินหาทองถ้าหาเงินหาทองก็หาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองอันนี้จําเป็นต้องดูต้องทําไม่เป็นไม่เสียหายไม่เป็นพิษเป็นภยัยการซื้อปัจจัยสีมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบของความมักน้อยสันโดษอย่าหาโดยความแย่ความโลภโลภคืออยากจะได้มากๆอยากจะได้ดีๆ อ น, นี้ไม่ควรหาแบบนี้หาแบบพอใช้ได้พออยู่พอกินได้ก็พออย่างที่ในหลวงรัชการที่เก้าเคยสอนพวกเราอยู่เสมอว่าให้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงหรือเพียงพอคือหาปัจจัยสี่พอมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอแล้วอาหารมื้อละห้าห้าสิบบาทกับมื้อละห้าร้อยมันก็อิ่มเหมือนกัน ให้ใช้หลักนี้ให้ใช้มันหลักมากน้อยถ้าอาหารห้าสิบมันอิ่มอาหารห้าร้อยก็อิ่มเหมือนกันก็เอาเลือกอาหารห้าสิบก็พอมันทำหน้าที่เลี้ยงร่างกายได้เหมือนไกน่นี่คือความหมายของเศรษฐกิจเพียงพอในหลวงท่านเป็นคนมีธรรมะธรรมโมท่านศึกษาธรรมตลอดเวลาเข้าหาพระฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำมาปลอปฏิบัติ ดูการดำรงชีพของพระองค์เองว่าท่านสมถะเรียบง่ายอย่างไรท่านมักน้อยสันโดษอย่างไรเพราะท่านเฉลียวท่านฉลาดท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายที่จำตามมาต่อไปท่านจึงไม่ลุ่มหนุกับการหาความสุขผ่านทางผ่านทางใช้เงินใช้ทองแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราแบบไม่มีเหตุไม่มีผละ ท่านใช้เงินด้วยเหตุด้วยผลเงินส่วนใหญ่นี่เป้าที่พระองค์มีนี่เอามาทําบุญเอามาช่วยเหลือประชาชนท่านทําบุญอยู่ตลอดเวลากระถิ่นในแต่ละปีเนี่กรถินพระราชทานนี้ไม่รู้กี่ร้อยวัดเนี่ยเป็นกรถินของนายหวงทั้งนั้นนะคำว่ากรถินพระราชฐานนี้ก็เป็นกรถินของพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าทีบถวายกรถิน พระราชทานี้เป็นวัดหลวงนั่นเองเป็นวัดที่พระเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นมาในอดีตพระเจ้าอยู่หัวแต่ละสมัยนี้ท่านจะสร้างกุศลสร้างบุญกันด้วยการสร้างวัดสร้างวากันแล้วก็ไปทำบุญที่วัดที่่วากันนี่คือเรื่องของการใช้เงินเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปอบาย ถ้าเรายังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้พกต่อไปของเราจะดีกว่าพบปัจจุบันเพราะบุญที่เราทำนี้มันมีประโยชน์หลายชั้นด้วยกันชั้นแรกก็คือความสุขในปัจจุบันเวลาเราทำบุญแล้วจะทำให้เราไม่หิวโหวยกับการใช้เงินทองไปกับการเที่ยวการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆสอง เวลาที่เราตายไปบุญที่เราทำนี้ก็จะเป็นทรัพย์ที่เราติดตัวไปได้ทำให้เราไปเป็นเศรษฐีบุญในโลกทิพย์พวกเศรษฐีบุญในโลกทิพย์นี่เราเรียกว่าเทวดานั่นเองไปเป็นเทวดาแทนที่จะไปเป็นขอทานขอทานก็คือพวกเปรดนี่เองนี่คือประโยชน์ที่เราจะรับจากการทำบุญแล้วถ้าเรายัง ยังไม่สามารถหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้โอกาสหน้าข่าวหน้าเรากลับมาเกิดใหม่เราจะรวยกว่าเก่าเพราะว่าเรามีเงินฝากไว้ในธนาคารนั่นเองเงินที่เราทาบุญนี้ไม่สูญหายไปไหนถ้าเรากลับมาเกิดชาติหน้าเรากลับมาเบิกได้แล้วมีดอกเบีย้ยทบด้วยจะกลับมารวยกว่าเก่าเชื่อไหมไม่เชื่อเราไปศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าดู ชาติก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ท่านเป็นไปเกิดเป็นพระเวชสันดรนท่านเป็นพระเวจสันดรท่านก็ทำบุญอย่างเต็มที่ใครเดือดใครเดือดร้อนใครต้องการอะไรถ้าท่านช่วยเหลือได้ท่านให้หมดเลยท่านยินดีท่านมีความสุขกับการให้ท่านอิ่มบุญดีกว่าอิ่มทรัพย์อิ่มกับการเที่ยวเที่ยวเท่าไหร่ไม่มีวันอิ่มแต่ทาบุญนะีมันจะทาให้เราอิ่ม ทำให้เราพอท่านก็เลยทำบุญอย่างสุดๆพระเวชสันดรเราคงจะรู้ว่าถ้าเราในสายตาของพวกเราเราก็ยังคิดว่าท่านทำแบบสุดตรงแต่นี่มันเป็นเรื่องของโพธิสัตว์เนี่ยถ้าท่านทำอะไรแล้วมันต้องสุดตรงมันจะถึงใจถ้าทำแบบนิดๆหน่อยๆแล้วนะมันมันไม่ถึงใจเหมือนกินข้าวคำสองคำนี้มันไม่อิ่มหรอกจะกินข้าวทั้งทีมต้องกินให้ สามสี่ชาให้มันแน่นท้องก็ไปเลยมันถึงใจอิ่มนยนี่นิสัยของพระโพธิสัตว์ถ้าลองทำอะไรเราต้องทำแบบสุดๆุดเนี่ยทำทานก็สุดๆุดเวลาทำความเพียรก็สุดๆดเนี่ยท่านทำอย่างสุดๆด น, นี่อิสงของทานที่ท่านทำเวลาตายไปท่านก็ไปเกิดในท่านก็ไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์แล้วพอท่านกลับมาเกิดก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ เป็นพระราช ก, กุมารมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรออยู่เต็มไปหมดมีปราสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยรับใช้ตลอดย4บสี่ชั่วโมงมีอาหารมีเครื่องดื่มมีบันเทิงมหรสพให้เสพให้ดูให้ฟังตลอดเวลานี่แหละคืออานิสงส์ของการทำบุญทำทาน แล้วการทำบุญทำทานมันก็จะทำให้เรารักษาศีลได้เพราะคนทำบุญจะเป็นคนมีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นจะทำอะไรจะต้องระมัดระวังว่าจะไม่ไปทำสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาคนทำบุญแล้วจะรักษาศีลได้งา่าย คนไม่ทำบุญนี้รักษาศีลได้ยากเพราะยังคิดเห็นแก่ตัวอยู่ยังอยากจะทำอะไรให้กับตัวเองพอทำมันก็ไม่คิดถึงความเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่นขอให้ตนเองได้ความสุขส่วนชาวบ้านเขาจะทิพหายเดือดร้อนก็เรื่องของเขาอนี่คือความคิดของคนที่ไม่ทำบุญกับคนที่ทำบุญจะคิดไม่เหมือนกันคนทำบุญทำทานได้ก็จะขึ้นไปรักษาศีลได้ รักษาศีลห้าได้ก็จะสามารถเพิ่มเป็นรักษาศีล8รักษาศีลสิบหรือรักษาศีลสอริบเจ็ดได้ตามลาดับต่อไปพอรักษาศีลได้ขนาดนั้นก็ไปบวชได้ไปภาวนาได้ไปภาวนาอย่างเต็มรูปแบบพอภาวนาอย่างเต็มรูปแบบก็สามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ ความอยากที่จะพาให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปความสุขที่ได้จากการภาวนาก็จะได้อย่างเต็มร้อยสงบอย่างเต็มที่สงบอย่างตลอดเวลาเป็นบรมมเป็นบรมสุขขึ้นมาที่เรียกว่านิ้บานังปรมังสุขขังะ น, นี่คือผลที่จะได้ที่จะเกิดจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาศึกษามา ปฏิบัติตามคำสอนมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากความสุขที่เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดกับเป็นความสุขที่ไม่มีเหยื่อไม่มีเบ็ดที่ติดอยู่กับป้ายไม่มีเหยื่อไม่มีไม่มีเบ็ดติดอยู่กับเหยื่อนั้นเป็นอาหารลว้นลวนๆมีคุณประโยชน์เป็นอาหารปลอดสารพิษรับประทานแล้วไม่เกิดโรคมะเร็งรับประทานแล้วทําให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวนาน นี่คือประโยชน์ที่พวกเราได้รับจากการมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเราก็สามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้การทำบุญของเราการให้ทานของเรานี้เราแบ่งให้ผู้ที่ร่รับไปแล้วได้อย่างที่วันนี้พวกเราก็มาทํากันแล้วก็ถวายอุทิศถวายเป็นส่วนบุญส่วนกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จากพวกเราไป แม้ว่าท่านจะไม่ต้องอาศัยบุญที่พวกเราส่งไปให้ก็ตามแต่ถ้าท่านทราบท่านก็จะอนุโมทนาเพราะว่าท่านจะมีความสุขที่เห็นพวกเราทำบุญนั่นเองเพราะบุญนี้มันสำคัญสาหรับตัวเราด้วยกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยเหมนการทำบุญของพวกเราจึงได้ประโยชน์สองต่อได้ทั้งกับตัวเราเองและได้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว ยังขอให้พวกเราพยายามทำบุญกันไปเรื่อยๆฟังเทศฟังธรรมกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติทำให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 ภราสยาาสัพพิติโยวิวจันตุสัพพโลกวินาศตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธมาวทานติอายุวันโอสุขัง าลำดับต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในในระดับไหนก็ตามอขอเชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแล้วจะมีผู้อ่านให้อ่านคำถามให้ วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook เข้ามา277คะ่ะ YouTube 149ี่วิทยุออนไลน์34บุญเขา224รยยี่่รวม6 8รอคะ่ะ okay. ถ้ามีคำถามก็าถามได้เลยคำถามจาก Facebook คะ่ะคำถามจากคุณพิมพรวันนี้หนูได้ไปทำบุญที่วัดป่าคะ่ะทางวัดยังมีการทอดผ้าไตรด้วยคะ่ะหนูได้ทอด แต่หนึ่งไตรกับเรียนถามเจ้าค่ะตอนที่แผ่เมตตาให้กับพ่อหลวงในหรวงราชการที่9ดูมีอาการขนลุกทั้งตัวเลยเจ้าค่ะถามว่าท่านพระองค์รับรู้ถึงบุญที่หนูได้ถวายให้กับพระองค์พ่อหลวงใช่ไหมเจ้าคะคงจะเป็นความรู้สึกของเรามากกว่าความรู้สึกที่เรามีต่อพระ อ, องค์พอเราได้ทำอะไรให้กับพระ อ, องค์อะไรก็ความปลื้มปิติขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมา ถ้าพระองค์ท่านทราบท่านก็คงจะอนุโมทนาในความดีงามของเราไม่ต้องกังวลเรื่องของคนอื่นขอให้กังวลกับเรื่องของเราก็พอถ้าเป็นความรู้สึกที่ดีก็รักษามันไว้ถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีก็กาจัดมันไปคาถามจากคุณวัดพรสุขขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า จะสังเกตจากอะไรได้บ้างว่าการปฏิบัติของตนเองถูกทางแล้วและมีความก้าวหน้าคงที่หรือถอยหลังโดยไม่ถูกกิเลสหลอกได้ครับก็ดูที่ความโลภความโกรธความหลงมันจะน้อยลงความอยากในสิ่งต่างๆมันจะน้อยลงความอิ่มใจสุขใจความเย็นใจจะมากขึ้นความเมตตาต่อผู้อื่นจะมีมากขึ้น อันนี้ก็เป็นเครื่องวัดดูความสุขใจความสุขที่ได้จากการทำความดีคําำถามจากคุณฟ o x m a n ถ้าพ่อแม่ของเราไม่สนใจธรรมะเลยแล้วยังต่อต้านธรรมะเราธรรมะด้วยเราจะมีวิธีตอบแทนบุญคุณเขายังไรได้บ้างครับอ๋อเราก็เลี้ยงดูท่านนะตามตามความต้องการของท่าน ร่างกายของท่านต่อไปก็จะแก่ชะลาท่านจะไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเลี้ยงดูท่านไปจนถึงวันตายส่วนเรื่องธรรมะถ้าท่านไม่สนใจเราก็ทําอะไรไม่ได้เราทําได้ก็เพียงแต่เอาธรรมะเข้าไปอยู่ใกล้ตัวท่านเอาหนังสือธรรมะเอารายการธรรมะเปิดไปเผื่อท่านดูท่านฟังท่านอาจจะชอบขึ้นมาก็ได้ แต่จะไปบอกไปบังคับให้ท่านสนใจนี้คงจะเป็นไปไม่ได้ yeah. คำถามจากคุณยิ่งพันค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ช่วยเมตตาสอนพุโทโธพอหน่อยครับคือหลับตาเห็นแต่ภาพดำๆแล้วใจเราพูดพุดโทโธพุโทโธใช่ไหมครับออแล้วพูดในใจถี่แค่ไหนครับ หายใจเข้าห า, หายใจเข้าพุทหายใจออกโทรช้าๆหรือพูดในใจต่อเนื่องเร็วๆ พ, ททพุทธโทพุทธโทรพูดถี่แค่ไหนครับก็แบบไหนก็ได้แล้วแต่เราจะชอบจะพุทโทอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมพุทโทไปจะช้าจะเร็วก็ได้แล้วแต่ความจําเป็นบางทีช้าแล้วความคิดมันไม่หยุดมันแทรกเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ให้มันเร็วหน่อยถ้ามันไม่มีความคิดแทรกก็ไม่ต้อง เร็วก็ได้ไปเรืเร่อยๆไปสบายๆถ้ามันอยากจะดูลมด้วยพุโทโธด้วยก็ได้ดูลมที่ปลายจมูกแล้วก็พุโทโธตํำกลับไปเวลาลมออกมาก็ว่าพุทเลาลมเข้าไปก็ว่าโทก็ได้เือนมออกก็เรียกก็เรียกว่าพุโทโธลมเข้าก็ว่าพุโทโธก็ได้อันนี้เราสามารถปรับตามความถนัดของเราได้ เหมขี่จักรยานคนขี่จักรยานแต่และคนก็ขี่ไม่เหมือนกัน uh, ขับรถก็ขับไม่เหมือนกันปรับที่นั่งไม่เหมือนกันเห็นไหมเวลาเราขับรถคนอื่นนี่บางทีเราต้องมาปรับที่นั่งใหม่เที่นั่งเขากับที่นั่งเรามันไม่ได้ขนาดกันการภาวนาก็สามารถปรับการภาวนาได้ให้ัเหมาะกับเราในตอนนั้นตอนนั้นอาจจะเหมาะแบบนี้ตอนนี้อาจจะต้องเหมาะอีกแบบหนึ่งก็ได้ ตอนนั้นต้องเร็วตอนนี้ไม่ต้องเร็วก็ได้ตอนนี้ช้าก็ได้ตอนนั้นต้องดูลมด้วยพุทโธด้วยตอนนี้ไม่ต้องพุทโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้เนี่ยมันสามารถปรับได้แต่ถ้าปรับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องอยู่กับอย่างนั้นไปตอนที่เราทำตอนนั้นถ้าเรานั่งแล้วเราจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไปอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ไเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงไหนมันต้องอยู่กับเรื่องเดียววิธีเดียว คำถามจากคุณเจริญค่ะจิตเป็นเอกเทศจะดําเนินการอย่างไรต่อไปครับก็ต้องมาทําให้มันสงบตอนนี้เรายังทําให้มันสงบไม่ได้ทําให้มันสร้างความสุขขึ้นมาไม่ได้เราก็ต้องทําให้มันสงบให้มันสร้างความสุขขึ้นมาเพราะเมื่อมันมีความสุขในตัวมันแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องไปหาลาบยศสรเสริญไม่ต้องมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาให้มัน มีความสคำถามจากคุณกิติคะการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เพื่อให้เราไม่ไปเบียดเบียนเขาและไม่ให้ไม่ให้เขามาเบียดเบียนเราหากพิจารณาในขั้นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นยังถือเป็นศีลพัตตบารมาสไหมครับหรือเป็นคนละเรื่องกันครับอ๋อไม่เป็นหรอกอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของธรรมะเรื่องของการกําจัดความทุกข์ การแผ่เมตตานี้เป็นการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราที่เกิดจากความเกลียดความโกรธความอาคาทพยาบาทอันนี้เป็นการดับความทุกข์เป็นมรรคอย่างหนึง่งไม่ได้เป็นศีลพัพนาประมะแต่อย่างใดคำถามจากคุณอู๋คะ่ะเราควรดิ้นรนเพื่อให้ได้งานได้ที่ทำงานที่สปายะไหมคะและ การพิจารณาที่ทำงานที่สัปะยะอย่างไรคะถ้าเลือกได้ก็ดีถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องทนอยู่ไปก่อนเพราะว่าเรายัางต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวันถ้าเราลาออกจากงานแล้วเราไม่หาไม่สามารถหางานใหม่แทนได้เดี๋ยวเราก็จะเดือดร้อนกว่าเก่ายิ้นทนอยู่กับที่ที่มันไม่สัปเเยะไปก่อนถ้าเกิดยังไม่ยังหาที่สัปเเยะไม่ได้ ที่สั ป, ปะยาก็คือมีหลายอย่างคนที่เราอยู่ด้วยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนฉลาดหรือคนง้เนี่ยสถานที่ก็อสิ่งแวดล้อมดีไม่ดีปนภาวะเยอะไหมอมีควันพิษควันไฟมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่สัพปปยากก็มีหลายอย่างด้วยกัน อาหารการกินสะดวกดีไหมที่อยู่อาศัยปลอดภัยไหมอะไรทํานองนี้ก็เรียกว่าสับปายอ่ะคือมองไปที่คุณประโยชน์ของสถานที่เหล่านั้นต่อชีวิตจิตใ จ, จของเราอันนี้คำธครมหมดแล้วเลยเดี๋ยวก็เข้ามาใครกำลังส่งข้อความก็ส่งเข้ามาได้นะ สัพยาะนี่มันมีสองระดับด้วยกันสองอย่างสัปะยาะสำหรับผู้ครองเรือนกับสัพยาะของผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะไม่เหมือนกันสัปะยาะของผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะดูว่าสถานที่สงบสงดัดวิเวกหรือไม่เป็นหลักไม่ได้ดูว่าเป็นที่มีเอ่อลงลงภาพยนตร์ลงละครร้านอาหารไปได้ง่ายไดย้หรือไม่ ถ้าเป็นทางโลกทางผู้คลองเรือนก็จะมองว่าถ้าสปประะัพย์ยาอาหารการกินต้องสะดวกสบายมหระสลพบันเทิงต้องอะสะดวกสบายแต่ของทางผู้ปฏิบัตินี้จะไม่ต้องการาความสะดวกสบายทางด้านอาหารการกินหรือทางทางมหระสพบันเทิงต่างๆแต่หาแต่ความสงบสงัดวิเวกเป็นหลัก ต้องการที่เงียบที่ไม่มีอะไรมาลบกวนใจไม่มีแสงไม่มีเสียงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจสปปรรพยัก็มีสองแบบทางธรรมกับทางโลกคําถามจากคุณจริยคาค่ะขณะเดินจงกรมจิตจะอยู่ที่เท้าหรือลมหายใจดูพร้อมกันหรือดูอย่างเดียวจะถูกเจ้าคะ่ะ ออต้องดูอย่างเดียวแล้วก็ดูลมหายใจนี่ยากเพราะตอนเดินนี่มันมันดูยากใจจะไม่ไม่ไม่ละเอียดพอที่จะดูลมได้ก็ดูเท้ามันจะง่ายกว่าหรือว่าจะบริกรรมพุทโธไปด้วยก็ได้เดินไปก็พุทโธพุทโธไปไหนก็ต้องดูเท้าที่เราเดินด้วยหรือดูทางที่เราเดินด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรหรือไม่เดี๋ยวมีงูมีอะไร ถ้าไปมัวแต่พุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวก็เดินไปเหยียบงูได้ก็ต้องมีสติอยู่การเดิน แ, แต่ถ้าใจไม่ยอมอยู่กับการเดินไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยก็ต้องหยุดความคิดด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือบังคับให้มันมาที่เท้าแล้วบอกว่าซ้ายขวาซ้ายขวาไปก็ได้ยังไม่มา การเดินจงกรมนี้เป็นการเปลี่ยนเอเรียบทแต่การภาวนาเหมือนกับการนั่งยังต้องเจริญสติเหมือนกันถ้าเดินก็พุทโธพุทโธไปเวลามานั่งก็พุทโธพุทโธต่อได้หรือถ้าพุทโธแล้วเมื่อยเหนื่อยจากการพุทโธอยากจะหยุดแล้วมาดูลมหายใจแทนก็ได้เดินก็เหมือนกันถ้าเดินพุทโธพุทโธแล้วมันเหนื่อย ก็หยุดพุทธโธก็ได้ดูเท้าแทนก็ได้ดูว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาไปอันนี้การทําไมต้องมาเดินเพราะว่านั่งอย่างเดียวไม่ได้ร่างกายมันรับไม่ไหวกับการนั่งตลอดเวลานั่งนานๆมันก็ต้องเจ็บต้องปวดต้องเมื่อยตามร่างกายก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิรยาบทให้ร่างกายมีเลือดลมหายใจใ ห, ให้ให้เลือดลมหมุนเวียน ให้ร่างกายหายจากอาการเจ็บเมื่อยต่างๆก็เดินเดินเพื่อให้หายเมื่อยพอเดินแล้วเมื่อยจากการเดินก็หยุดเดินกลับมานั่งต่อแต่ระหว่างการเดินการนั่งนี้การมีสติก็ต้องมีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันต้องมีสติกำกับใจควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องพยายามกํากับใจทั้งในขณะที่เราไม่นั่งและขณะที่เรานั่ง ขณะที่เราเดินทำภารกิจอย่างอื่นก็ต้องมีสติกํากับใจเหมือนกันไม่ใช่จะมากํากับใจเฉพาะตอนเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิตอนนั้นต้องกํากับอยู่กับทุกอิริยาบถการเคลื่อนไหวของร่างกาย เ, เดินขึ้นมาลืมตาก็ต้องควบคุมใจทันทีอย่าปล่อยให้คิดกระเจิดกระเจิงไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนีเ้เหมือนกับเปิดเปิดเปิดประตูให้เข้าเปิดคอกประตูให้วัวออก พอเปิดคล้องนี้วัวมันจะวิ่งพรวดออกไปเลยพอเติ่งขึ้นมาปั๊บนี่ถ้าไม่มีสติมันพรวดขึ้นไปเลยเนี่ยคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเครื่องนี้ไปแล้วะวุ่นวายไปตั้งแต่ยังไม่ได้ออกจากบ้านงนั้นเราต้องคอยควบคุมความคิดเหล่านี้จะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จําเป็นต่อการดํารงชีพคิดกับเรื่องที่ต้องคิดเท่านั้นถ้าเรื่องที่ไม่ต้องคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเพราะส่วนใหญ่มันจะคิดไปในทางทําร้ายตัวเอง สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับตัวเองเพราะเรายังคิดไม่เป็นขั้นตอนนี้ก่อนที่จะคิดให้มันไปนคิดไปในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ได้เราต้องหยุดความคิดที่ไม่ดีให้ได้ก่อนเมื่อเราหยุดความคิดที่ไม่ดีได้แล้วขั้นต่อไปแล้วก็สอนนี่มันคิดไปในทางที่ดีคิดไปทำบุญคิดไปทำประโยชน์ไปทาไปรักษาศีลคิดไปภาวนาคิดไปปล่อยไปวาง ไ้สละมีอะไรที่มันหนักอกหนักใจก็ทิ้งมันไปเถิดเก็บมันไว้ทำไมตายไปก็เอาอไปไม่ได้อยู่กับมาแล้วหนักอกหนักใจมีไว้ทาไมนี่คือความคิดที่คิดเป็นจะคิดอย่างนี้คิดหาวิธีปลดเปื่อความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปไม่ใช่คิดไปหาความทุกข์มาให้หนักอกหนักใจเหมือนยันในขณะที่เรายังไม่รู้จักวิธีคิดที่ถูกต้อง เราจะคิดแต่จะไปหาเรื่องราวต่างๆมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราทั้งนั้นจึงควรจะหยุดคิดก่อนคำถามจากคุณวิชัยค่ะการนั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วยังคิดเรื่องอื่นอีกทาอย่างไรต่อดีเจ้าคะาลองเปลี่ยนมาพุโทโธก่อนนะถ้าดูลมหายใจมันหยุดความคิดไม่ได้ก็เปลี่ยนใช้พุโทโธหรือถ้าเราชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ สวดบทยาวๆสวดไปนานๆสวดในใจไม่ต้องออกเสียงหรือถ้าต้องออกเสียงก็ออกเบาๆแผ่วอิตติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธทไปสวดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปพอมันหายเราก็กลับมาดูลมต่อได้คำถามจากคุณรดาวงค่ะเมื่อเราเลือกที่จะหาเลี้ยงชีพแบบพอเพียง เพื่อมีเวลาในการปฏิบัติภาวนามากขึน้นแต่เจ้านายรั้งไม่ให้ลาออกเราควรจะพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจในการตัดสินใจของเราดีเจ้าคะก็ head, ถ้าเขาไม่เข้าใจพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจหรอกไม่เห็นจำเป็นจะต้องให้เขาเข้าใจเลยขอให้เราเข้าใจตัวเราเองก็พอเพราะเขาไม่ได้มารับความทุกข์ ข, กของเราเขาไม่ได้มาปลดเบื้องความทุกข์ของเราเราต้องเป็นผู้รับความทุกข์ของเราเองเราต้องเป็นผู้ปลดเบื้องความทุกข์ของเราเอง ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจก็เรื่องของเขาใช่ไอมถ้าเราไปรอให้เขาเข้าใจแล้วก็ถูกกิเลสหลอกนะกิเลสมันจะหลอกไม่ให้เราไปเข้าใจหรือเปล่ากิเลสมันจะหาเรื่องหลอกเราดึงเราไว้อยู่เรื่อยๆไปเอาคนนู้นคนนี้มาเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นเหตุขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นเหตุเลยถ้ารอให้คนทุกคนเข้าใจก็ไม่ต้องบวชนะ คำถามจากคุณพชรนพรคำว่าจับมักได้หมายความว่ายอย่างไรครับตับอะไรนะจับมักค่ะมักผลจับมักค่ะจับทางไงก็คือไม่รู้ทางไปเจอทางจับทางได้ทางนี้คือทางหลุดพ้นจากความทุกข์ไงคือการทําทางงานรักษาศรรษีลการภาวนาเรียกว่าจับมักคําถามจากคุณอดีตช่างมันค่ะ ลักษณะจิตเข้าเข้าชานหนึ่งสองเป็นยังไงครับก็ เ, เหมือนลักษณะกินข้าวหนึ่งจานกับสองจานเน่ะอันนี้เล่าให้ฟังจนวันตายก็ไม่รู้หรอกไปกินนะกินแล้วไม่ต้องมาถามง่ายจะตายไปกินข้าวจานหนึ่งเป็นยังไงกินสองจานเป็นยังไงกินสามจานเป็นยังไงคนบางคนสี่จานเป็นยังไงอมันรู้เองเนี้ยมันอิ่มขนาดไหนอิ่มแบบหนึ่งจานบิ่มอิ่มแบบสองจาน การเข้าฌานก็สงบไปสงบแบบขั้นที่หนึ่งสงบขั้นที่สองสงบขั้นที่สามสงบขั้นที่สี่มันจะสงบไปเรื่อยๆเหมือนการขับรถเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเกียร์หนึ่งมันจะเสียงดังกว่าเกียร์สองเนี่ยเกียร์สองมันจะดังกว่าเกียร์สามเกียร์สามมันจะดังกว่าเกียร์สี่นี่ก็คือแบบเดียวกันนะคําถามจากคุณจรันค่ะขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําการปฏิบัติธรรม ให้กับผู้ป่วยโรคเครียดคิดมากและคิดลบตลอดเวลาด้วยเจ้าค่ะก็หยุดความคิดเลยบอกเขาหยุดคิดวิธีจะหยุดคิดก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดร่างกายมันจะเป็นอะไรห้ามมันไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอของยาเข้าไปก็แล้วกันหมอให้กินยาอะไรก็กินไปหมอให้ทาอะไรก็ทาไปส่วนเราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องร่างกายเพราะเราไม่มีความสามารถที่จะไปรักษามันได้เอง เรามารักษาใจเราด้วยการหยุดความคิดที่ไปเครียดกับเรื่องของร่างกายหมดแล้วยังหมดแล้วก็เวลาก็ใกล้จะหมดพอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิณิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ